ั้งก่อนพูดถึงในเรื่องของข้อที่10พูดเรื่อง อ, อ๋อมนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาใช่ไหมพูดไปแล้วใช่ไหมเดียที่พูดถึงในเรื่องของการประกาศหลักการตอนประูตมอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องศาสนาลักษณะที่11ก็คือเป็นศาสนาแห่งการศึกษา พักษะที่11เนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาที่นําออกมาศึกษามาเข้ามาเป็นสาระสําคัญอันนี้เป็นเนื้อแท้ของการดําเนินชีวิตเลยถ้าให้เกิดการดําเนินชีวิตของมนุษย์เป็นการศึกษาไปด้วยแต่นี้ก็เลยหลักการปฏิบัติในพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่ามรคมร์ก็แปลว่าอะไรมร์ก็แปลว่าทาง ทางคืออะไรก็คือทางดำเนินชีวิตใช่ไหมมรคเนี่ยซึ่งไม่ใช่ทางเดินที่เป็นรูปธรรมเหมือนการเดินเท้าที่จริงคาว่ามรคเนี่ยมีชื่อเยอะเช่นว่าเป็นทางเนี่ยทางเท้าทางสะพานทางรถทางอะไรเนี่ยนั้นเป็นรูปธรรมแต่มรคที่วุฒิย่าเอามาใช้เนี่ยเป็นทางด้านนามธรรมเป็นทางดำเนินชีวิต ซึ่งไม่ใช่เป็นทางที่เป็นรูปธรรมเหมือนทางถนนทางเรือทางรถไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกมรคอย่างหนึ่งว่าเป็นพรหมจริยะด้วยคําว่าพรหมจริยะก็บางทีก็ใช้คําว่าพรหมจันทร์พรหมจริยะหรือจริยะปัจจุบันก็มาเปลี่ยนเป็นจริยธรรมพรมก็คืออันประเสริฐมรค ก, ก็คือการทางดําเนินชีวิต ทางดำเนินชีวิตที่เป็นพรรมจริยะก็คือเป็นจริยธรรมอันประเสริฐเป็นข้อปบันทึกประเสริฐเป็นทางดําเนินอันประเสริฐหรือทางดําเนินชีวิตเข้าไปสู่ความประเสริฐสูงสุดจริยธรรมก็แปลว่าจริยะก็มาจากคาว่าจระจระเนี่ยซึ่งแปลว่าเดินเหมือนคําว่าจราจรเนี่ยก็แปลว่าการเดินไปเดินมาท้าเนีจอก็แปลว่าการเดินไปในปา่าใช่ไหม ไปไปมาเรามาเรียกคนที่พเนจรแปลว่าคนไม่มีจุดหมายปลายทางแต่ศัพ exactly? ท์เดิมจริงๆเขคนเดินป่าจรไปโน่นจรไปนี้ก็เรียกว่าเดินทางเพราะฉะนั้นจอนหรือจระก็เลยกลายเป็นเดินทางจริยะก็แปลว่าการเดินทางเหมือนกันการเดินทางที่เป็นรูปธรรมก็ได้แก่การเดินทางที่เป็นถนนการเดินทางทางน้ําทางอากาศเนี่ยแต่ถ้าเดินทางที่เป็นนามธรรมก็คือการเดินทางชีวิต จริยาก็เลยคือการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินชีวิตการเดินทางของชีวิตก็ได้การดำเนินชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นจริยธรรมก็คือหลักการดำเนินชีวิตพรหมในที่นั้นก็แปลว่าที่ประเสริฐพรหมจริยาก็คือหลักการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐก็ได้แก่การดำเนินชีวิตที่ประกอบไปด้วยมรรคมีองค์แปก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกปรความดำริที่ถูกต้อง สมาวาจาการกล่าววาจาที่ถูกต้องสมากรรมตะการกระทาที่ถูกต้องสมาชีวะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องสมาวายามะความเพียรพยายามที่ถูกต้องสมาสติการระลึกที่ถูกต้องสมาสมาธิการตั้งมั่นที่ถูกต้องอสมาทิทิสมาสังกปะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มปัญญาสิกขา สัมมาวจาสมากัมมันตาสมาชีวะนี่เป็นศีลสัมมาวิมภาษัมมาสติสมาสมาธินี่จัดเป็นในหมวดของสมาธิสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญานี่ย่อขยายออกมาคือมรแปดมรมีองค์แอันนี้จัดเป็นประเภท3ประการก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เรียกอย่างหนึ่งว่าไตรสิกขาดูจะยินยังไหมไตรก็สามศิขาก็คือข้อฝึกก็แปลว่าศึกษา ศึกษาที่เป็นภาษาไทยภาษาบาลีแปลว่าศิกขาถ้าสัญกิกก็ศิศิขขาที่เป็นสอสละสไลศิกขาภาษาบาลีเป็นสอเสือไปมาเป็นภาษาไทยก็เป็นศึกษาศิกขาหรือศึกษาเป็นคำคำเดียวกันฉะนั้นหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยจึงเรียกชื่ อ, อย่างหนึ่งว่าการศึกษา การศึกษาก็มีองค์ประกอบ3ประการคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็คือประมวลเอาองค์ประกอบ8ประการนั่นเองมาแยกออกมามายอ่อตกลงว่าการดําเนินชีวิตหรือกระดการดําเนินชีวิตอันประเสริฐก็เป็นอันเดียวกับการศึกษาจริงไม่จริงเป็นอันเดียวกันไหมพูดง่ายๆว่าชีวิตที่ดีงามหรือชีวิตแห่งการศึกษาเอาละแต่นี้การศึกษาคือการปลึกผลให้มีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง การปฝึกผลให้มีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องก็ได้แก่ไตรสิกขาและไตรสิกขาก็คือการฝึกให้เรามีการดําเนินชีวิตตามมัชมีองค์8คือให้เรามีพรหมจริยะพร้อมกันนั้นก็การที่จะฝึกตนให้ดําเนินไปตามพรหมจริยะหรือดําเนินตามมัช ก, ก็คือเราต้องบําเพ็ญไตรสิกขาคือบําเพ็ญตามศีลสมาธิและปัญญาพอจะมองออกไหมนี่เป็นศาสนาในการศึกษาแบบนี้ เพราะฉะนั้นการฝึกผลพัฒนาตนในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องก็คือการศึกษาและการศึกษาคือการฝึกตนเองให้ดําเนินไปในชีวิตที่ถูกต้องตามมัคก็เป็นศิกขาสิกข า, าก็เลยเป็นมัค ก, ก็เลยเป็นอันเดียวกันศิกขาการฝึกผลพัฒนาตนให้ดําเนินตามมัคการฝึกตนให้ดําเนินตามมัคเขาเรียกว่าศิกขาเออสิกขาเลยกลายเป็นข้อฝึกเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อฝึกผลพัฒนามัค ก, ก็แปลว่าท า, างเขาใจะยัง พอเราฝึกตนเองดําเนินไปตามศีลดําเนินไปตามสมาธิดําเนินไปตามปัญญาเขาเรียกว่าดําเนินตามมัคคือดำเนินดำเนินตามมัคคาดําเนินชีวิตตามมัคคาของพระชินเจ้าหรือเขาเรียกว่าพฤติเขาเรียกพรหมจริยะก็คือจริยะอันประเสริฐคือการประพฤติอันประเสริฐเพราะวมาปัจจุบันเรเรียกว่าจริยาธรรมเขามองเห็นไหมเรียกไปเรียกว่าจริยาธรรมนี่มาทีหลัง จริยธรรมต่างจากจริยธรรมของของฝรั่งเขาสมัยก่อนไม่มีคํานี้มีคําว่าพรหมจริยะไปไปมาก็เลยเรียกว่าจริยธรรมสิกขาคือการฝึกฝนพัฒนาตนให้ดํเ า, ม า, มรราน เ, ดเนินตามมรรคการฝึกตนให้ดําเนินตามมรรคก็คือสิกขาฉะนั้นตัวสิกขาเลยเป็นตัวฝึกใช่ไหมมรรคเป็นประธานท่านดำเนินตามมรรคได้แล้วสิกขามรรคก็คือวิถีชีวิตอันประเสริฐ ถ้าจะแปลให้สมสมัยก็คือว่าการดําเนินชีวิตที่ดีงามดังนั้นศึกขาก็คือการศึกษาจึงแปลว่าการพัฒนาตนในการดําเนินชีวิตที่ดีงามทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องศึ ก, ศกษาเนี่ยเรานึกว่าเป็นนั่งเรียนใช่ไหมที่จริงคำว่าศึกษาตรงเนี้คุมหมดเลย ค, คุมทั้งการปฏิบัติด้วยไหมคุมทั้งการปฏิบัติด้วย ท่านหนักไปกว่า น, นั้นก็นู่นเราบรรลุผลได้โดยซ้ำไปถ้าจะพูดกันให้ลึกขึไปเนี่ยแต่จริงๆท่านไม่นับขนาดนั้นศึกษาก็เลยการรวมทั้งเรียนทั้งการเอาธรรมะนั่นมาฝึกฝนมาพัฒนามาปุกบรือประพฤติ ป, ป, ป, ปฏิบัติ ด, ด้วยเลยรวมเรียกว่าศึกษาทั้งหมดนี่ภาษาไทยของเราพอพูดไปพูดมามันก็เลยบอกว่าไปทําอะไรไปศึกษาแปล ว, ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติก่อนนี่มันเป็นปัญหาตรงเนี้จริงไม่จริงอย่างนั้นมองอย่างนั้นไหมเริ่มเห็นนะ เอาละแต่นี่มักก็คือวิถีชีวิตอันประเสริฐนะการดำเนินชีวิตที่ดีงามก็ก็คือศึกศึกศึกษาศึกขาคือศึกษาจึงแปลว่าการพัฒนาตนในในการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาก็ต้องดำเนินให้ถูกต้องโดยปฏิบัติตามอะไรตามศึกขา3หรือไตรศึกขาทีนี้การศึกษาเป็นเรื่องของการดาเนินชีวิตทั้งหมด และการดําเนินชีวิตทั้งหมดของเราก็อยู่ในเรื่องของการศึกษาเขาจึงเรียกว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพราะการศึกษาต่อชีวิตเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเสกขาบุคคลแปลว่าอะไรบุคคลที่มีการศึกษาหรือบุคคลที่กําลังศึกษาถ้าอาเสขาบุคคลก็แปลว่าบุคคลที่จบการศึกษาหรือไม่ต้องมีการศึกษาอีกแล้วก็จะจบเลยเป็นอาพลหันไปเลย ฉะนั้นอย่างเราๆเนี่ยจัดนับเข้าไปในเสขาบุคคลนะที่จริงเขานับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปนะถ้านับจริงๆเลยนะแต่นับกาลยานะปุถุชนอย่างเราๆด้วยท่านอนุญาตให้ก็เลยเรียกว่าเป็นเสขบุคคลเพราะบุคคลที่กําลังศึกษาแค่นั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตมีในพุทธศาสนาชีวิตก็คือการศึกษาเลยทีนี้ตราบใดที่ยังไม่เป็นอาเสขะ หรือยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องโดยการปฏิบัติตามไตรสิกขาเพื่อฝึกตนให้ดำเนินชีวิตตามมรรคา เ, เรา ม, มองเห็นนี้ยังลักษณะของพุทธศาสนาจึงเป็นาศาสนาแห่งการศึกษาจริงๆที่นี้พอพูดถึงในเรื่องการศึกษาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยให้ลองให้สังเกตดูนะเราจะดาเนินชีวิตยังไงนที่จะเรียกว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ทีนี้พอเราไปบอกว่าการศึกษาคือการไปนั่งอ่านใง่ไหมอาจารย์ธันล้วนึกว่าเป็นนั่งเรียนในห้องเรียนเนี่ยคือการศึกษาเพราะอะไรเราถึงเข้าใจกันอย่างนั้นอลองแปลคําว่า ศ, ศึกษาที่แปลว่าอะไรลองแปลหน่อยดิกั น, นฮะเป็การเรียนหนึ่งแล้วแล้วถ้าโดยโดย โดยเนื้อแท้ของการศึกษาจริงๆนเอาแค่ okay, นะั้นอันนั้นเป็นปฏิเวทจริงๆเขาไม่ได้นับถึงขนาดนั้นเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วแม้ขนาดที่กำลังฟังกำลังฟังเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าศึกษาไหมคืออย่างนี้อาจารย์ท่านเราไปเข้าไปแยกคำว่าปริยัตปฏิบัติ ปฏิเวทเนี่ยคนเลยไปบอกว่าปริยัติกับศึกษาเป็นอันเดียวกันไอ้นี่มันไปนงงตรงนี้เลยแท้จริงมันไม่ใช่ปริยัติเนี่ยคือการเรียนน่ยนั่นถูกต้องปฏิบัติเนี่ยก็คือเอาสิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยมาฝึกฝนมาประพฤติปฏิบัติมาทําให้มีทําให้เกิดขึ้นเขาเรียกปฏิบัติพอได้รับผลจากการปฏิบัติเขาเรียกปฏิเวทใช่ไหมทีนี้ปริยัตกับปฏิบัติเนี่ยในกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าศึกษา เขาใจยังงนั้นการศึกษาเนี่ยมันคมถึงการปฏิบัติด้วยเอาธรรมะเอาสิ่งที่รู้นันมามาฝึกขัดมาประพฤติปฏิบัติด้วยตรงนี้เขามันมาเพี้ยนมาไม่นานนี่เองนะภาษาตรงนี้มาเพี้ยนมาไม่นา น, นเองรู้สึกว่ากรมพยาวชิระยานวโรรสพยามาบอกเลยนะบอกว่าเออเนี่ยการที่เราเรียนรู้สิ่งใดต่างๆแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติ เรามาทําให้มันเกิดให้มีขึ้นทําให้เป็นให้รู้ใ ห, ให้ให้ตำริศผลขึ้นมาอันนั้นนะ่ะเรียกว่าศึกษาทั้งนั้นอาจารย์ใช้คําอย่างนั้นเลยนะเพราะว่ามันมีการเพี้ยนกันมาก่อนหน้านั้นแล้วดัง น, นั้นพอพูดถึงเรื่อง ก, การศึกษาก็เราเลยต้องมาทบทวนกันใหม่ว่ารวมถึงการพึ่งปฏิบัติ ด, ด้วยถ้าถ้ามองตรงนี้มันจะเห็นเห็นกระบวนการ ท่านใช้ศับตรงนี้ที่บอกว่าศิกขาเนี่ยคือการศึกษาเห็นไหมการศึกษาการสำเนียกเหมือนคำสิกติไหมเหมือนกับว่าในอานาปานสติจะมีคําว่ า, าที่บอกว่าสิกิติเคยได้ยินสัพท์นี้ไหม <c oughs> ที่บอกว่า <c oughs> อัศศิษฐามีติสิกิตินั่นแหละคือสำเนียก สัมเนียกว่าเราจะกําหนดลูกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสัมเนียกว่าเราจะกำหนดลูกองลมทั้งปวงหายหายใจออกเนี่ยสัมเนียกรึวนี่มันจะเข้ามาศึกษานี่แปลว่าลงมือทําเลยลงมือทําลงมือกําหนดลงมือพิจรารณาในการใส่ใจมนฑสิการเลยนั้นศึกษาแปลว่าการศึกษาการสัมเนียการเรียนในการเรียนก็อยู่ในการศึกษาการฝึกฝนปฏิบัติการเล่าเรียนให้รู้ให้เข้าใจ และการฝึกขาดปฏิบัติให้เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นมีขึ้นในตนและทาแล้วก็หรือทำให้ได้ทำให้เป็นเนี่ยเป็นการศึกษาหมดเลยตลอดถึงการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปจนถึงความสมบูรณ์เนี่ยข้อที่จะต้องศึกษาก็เลยมี3อย่างอาทิศีรลศิขาศิขาคือศีน่ะยิ่ง อธิศีลสิกขาเนี่ยข้อที่ต้องศึกษาคือข้อปฏิบัติเพื่อการฝึกอบรมพัฒนาศีลอย่างสูงด้วยนะศีลห้าศีลแศีลสิ 5, ส 8, สไล่ไปเป็นปฏิมโมกขังวรศีนกองพระด้วยก็คือราการรักษาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจให้เป็นเครื่องหนุนนําออกจากวัตฏะนี่เป็นอธิศีลสิกขาเข้าใจใช่ไหมต้องเป็นเครื่องหนุนนําออกจากวัตะด้วยนะจึงจะเรียกว่าอธิศีลสิกขาถ้าอธิตกิตติสิกขาล่ะ สิกขาคือจิตอันยิ่งเน่อันนี้เป็นข้อที่จะต้องศึกษาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการฝึกอบรมพัฒนาจิตให้มีสมาธิเป็นตนอย่างสูงกุศลจิตทั้งหลายจนถึงสมาบัติแเป็นจิตเป็นฌานสมาบัติที่เป็นบาทแห่งวิปัสสนาถึงจะเป็นอธิจิตสิกขาให้สังเกตดูนะว่าถ้าปฏิบัติด้วยความเข้าใจมุ่งให้เป็นเครื่องหนุนออกจากวัั ถึงจะเรียกว่าทิจิตตะศึกขาแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติแบบไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มุ่งเน้นให้เป็นเครื่องหนุนออกจากสังสารวัฏหรือหนุนออกจากวัฏฏะไม่เรียกว่าทิจิต <c oughs> ไม่เรียกเป็นการศึกษาในจิตอันยิ่งเขาจะยังส่วนอธิ ป, ปัญญาศิกขาก็คือศึกษาคือปัญญาอันยิ่งเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการฝึกอบรมพัฒนาปัญญาอย่างสูงเลยเป็นความรู้ความเข้าใจเหตุผล ถูกต้องอย่างสามัญจนถึงพัฒนาเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิรู้และเข้าใจในเรื่องเหตุในเรื่องผลเรื่องกรรมและผลของกรรมวันก่อนที่เราพูดในเรื่องของกายกรรมวจีกรร ม, มโนกรรมเนี่ยต้องเข้าใจขนาดนั้นเลยต้องเข้าใจถึงมโนกรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงนะยกตัวอย่างเช่นว่าอภิชานีความโลภที่เป็นครบกรรมบทเนี่ยเป็นมโนทุจริตเนะือถ้าอนหพิชาเนี่ย ความไม่โลภเนี่ยเป็นมโนสุจริตพยาบาทเนี่ยเป็นมโนทุจริตเช่นโกรธก็คิดให้เขาวิบัติเนี่ยอ น, นะหรือเกี่ยวกับอัพยาบาทก็คือเมตตาใจที่น้อมไปกับเมตตาหรือมิจฉาทิฏฐิเหนว่าแค่เราคิดให้คนอื่นวิบัติเนี่ยมันไม่มีผลหบอเนี่ยเ่นนี้นะไม่มีผลลบเราจะฆ่ า, มาแมลงทั้งโลกนี้ที่มันเป็นอันตราย ก็ไม่มีบาปบาปเหล่านี้มันก็ไม่มีผลหรอกมันไม่ต้องไปรับผลของการกระทำนั้นๆหรอกนี่ปฏิเสธเหตุนี่ปฏิเสธผลนี่ปฏิเสธเการกระทำเนี่ยนี่ขัดหลักเลยเนยีพุทธศาสนาเป็นกรรมะวาธีกิริยวาธีวิริยะวาธีาธใช่มเนะี่ยอันนี้เนี่ยหลักการตรงนี้นั่นั้นตั้งแต่กรรมสักดาสมาธิถี่ไล่ไปเป็นเนึง ฌานนสมาทิฏิเข้าใจคำว่าฌานนสมาทิฏฐิไหมหมายถึงอะไรเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเข้าใจนี่ยถ้าเข้าใจก็คือปัญญาอันยิ่งถามว่าฌานะปัญญาเอาแค่ไหนอะฌานะปัญญาเปิดตัวโยมฌ า, านเอาแค่ไหนฌานะสมาทิฏฐิ ที่เรียกว่าฌานาสมาธิคือฌานาสมาธิเนี่ยคือ ร, รู้ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อจะทำให้สมาธิเกิดแล้วก็รู้รู้ว่าสมาธิเนี่ยเมื่อเราฝึกฝนพัฒนาแล้วจะเป็นบาตฐานต่อการเจริญวิปัสสนาญาณยังไงเป็นต้นด้วยนะ การรู้การเข้าใจทุกขั้นตอนในการที่จะทําคณิกสะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิเนี่ยทั้งปฐมฌานทุติตยฌานตัตยฌานจนุวิฌานทั้งอรูปฌานทั้งหลายเหล่านี้ให้มีให้เกิดขึ้นทั้นการรู้การเข้าใจในลักษณะอย่างนี้นี่เรียกฌานะสมาธิจนถึงรู้ถึงขนาดว่าฌานกระแสของพุทธศาสนาไม่ได้อยู่แค่ฌานนะไม่ใช่จุดหมายสูงสุด น, น, นะฌานนี้ต้องเป็นบาตของการเดินวิปาาัสสนาญาณเพื่ อ, อออกจากสังสารวัฏออกจากวัตถุ แล้วก็รู้ that ฌานเนี่ยเป็นที่จเจริญทั้งหลายเหล่านี้ต้องเป็นฐานต่อการที่จะออกจากสังสารวัฏหรือเป็นเครื่องหนุนออกจากวัตทุเนี่ยถึงจะเป็นอธิจิตสิกขาและเป็นฌานฉะนั้นฌานในสมาธิที่ขับเน้นขนาดนั้นเลยเนีอาจารย์อาจารย์ขับเน้นในการรู้เข้าใจในการที่จะเดินจิตหรือจะฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างไรให้ได้สมาธิระดับเหล่านั้นและสมาธิเหล่านั้นก็ มีความรู้ความเข้าใจว่าจะเป็นเครื่องหนุนเนื่องตนเองออกจากวัตฏะยังไง <c oughs> นี่ขนาดนั้นเลยนะฌานในสมาธิฏฐิก็รู้อย่างนั้นรู้เข้าใจส่วนวิปัสสนาสมาธิฏฐิไม่ต้องพูดถึงเริ่มตั้งแต่รู้จักรูปจากนามรู้จกักปฏิจจสมุปบาทความเป็นไปของเหตุและผลเหตุปัจจัยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เชื่อมโยงการเป็นเหตุปัจจัยอย่างไรยกขึ้นสู่ไตรลักษ จะเห็นความแตกดับไล่ไปตามลาดับจนทยถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งหมดอะไเนี่ยพูดในเรื่องของมาร์กหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยสินสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้พูดถึงในเรื่องของอริยสัจข้อสี่ใช่ไหมฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งการศึกษา เ, เป็นเป็นศาสนาแห่งการศึกษาจริงๆพอจะมองเห็นไหมว่าเอยตรงเนี้ย โดยส่วนใหญ่เวลาเราเรียนกันตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะเข้าใจแต่วเวลาไปภาคปฏิบัติหรือการจะเอามาใช้จริงๆเนี่ยใช้ไม่เป็นทีนี้ปฏิบัติอยู่ตรงไหนด้วยแล้วแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมล่ะและเราก็เลยมีความเข้าใจว่าเวลานี้เข้ากรรมฐานเวลานี้ไม่เข้ากรรมฐานกันเลยทีนี้ทั้งๆที่การปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องในชีวิตจริงๆทั้งหมดเลยใช่ไหมเป็นเรื่องของชีวิตจริงๆทั้งหมดในการดําเนินชีวิตหมดเลยนะ แต่โดยส่วนใหญ่เราไปเข้าใจว่าช่วงนี้หยุดปฏิบัติช่วงนี้ปฏิบัติมันก็เลยกลายว่าการศึกษาของเราก็คือการเรียนอันนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติถ้าการปฏิบัติก็คือเราต้องหยุดเรียนปุ๊บไปปฏิบัติอีกทีนึงมันก็เลยที่เวลาในสมัยข้าพุจ้การที่เขาฟังธรรมะไปแล้วก็ไข้ควรตามแล้วบรรู้ไม่รู้เขาทากันยังไงนั่นคือศึกษาเลยใช่ไหมนี่แหละขั้นตอนการศึกษาเลย มายุคปัจจุบันนี้แทบไม่ต้องพูดถึงงั้นการฝึกฝนพัฒนาด้วยไตรศึกขาให้ชีวิตดําเนินไปตามวิถีแห่งมรรคในที่สุดก็บรรลุจุดหมายแห่งชีวิตที่ดีงามเป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีคุณสมบัติที่บริบูรณ์มีทั้งปัญญาที่อย่างรู้สัจธรรมเป็นอิสระดําเนินชีวิตด้วยสันติสุขและน้อมชีวิตของตนเองออกไปด้วยกรุณาเพื่อประโยชน์และอิสรภาพของเพื่อนรวมโลกตรงนี้เราก็เลยไม่เห็นพอ ม, มองเห็นยัง ต่อไปก็ลักษณะต่ออันนี้จะไม่เจาะรายละเอียดในลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือ12ก็คือพุทธศาสนาให้ความสําคัญทั้งแก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกลักษณะที่12บสองใพุทธศาสนาให้ความสำคัญทั้งแก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอยังไงลักษณะนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไปเกี่ยวการศึกษาเป็นหลักเนื่องเกี่ยวการศึกษานั้นในในการพัฒนาตนเอง และในการดําเนินชีวิตของคนนั้นเน่ยพุทธศาสนาเน้นหนักในหลักการที่คล้ายกับหลักข้างตน้นก็คือว่าเรื่องดุนยาภาพก็คือความสมดุลสมาตาความพอดีเนี่ยเอย๊วันก่อนได้พูดคําว่าสมาตากับคําว่าสมดุลพอจําได้ไหมอ้าพูดถึงในเรื่องของยกตัวอย่างเช่นพุทธศาสนาเนี่ยเวลาสอนเรื่องอินทรีห้าเนี่ยใช่ไหม จะให้ศรัท ธ, ธากับปัญญานะนะ่มีความสมดุลกันใช่ไหมถ้าศรัท ธ, ธามากเกินไปก็งมงายถ้าปัญญามากเกินไปมันขี้โกงนี่แหละเนี่ยคว่าสมดุลนี่ก็คือว่ามีศรัท ธ, ธาและปัญญามีความพอดีกันมีความสมตตากันมีความสมดุลกันใช่ไหมวิริยะกับสมาธิก็ต้องมีความสมดุลกันถ้าวิริยะมากเกินไปก็ฟุ้งก็เครียดแต่ถ้าหากว่า สมาธิมากเกินไปก็เฉยชาเกียจค้านฉะนั้นก็สองอย่างนี้ก็ต้องมีสมตาก็คือสมดุลกันโดยมีสติเป็นตัวกำกับหรือตัวควบคุมมองอยู่นี่ยังเนี่ยลักษณะของพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องหลักสมดุลแบบนี้ไม่ได้งั้นการปรับในหลักของการสมดุลตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเป็นสายกลางไปในตัวเองเลยนเป็นกลางด้วยเป็นความสมดุลด้วยใช่หม พอจับประเด็นได้ไหมตรงนี้สมตาสมมาตาสับเนี่ยก็คือความสมดุลทีนี้พอบอกสมดุลหรือสมตาเนี่ยในทางปฏิบัติแม้แต่รายละเอียดปีกย่อยเช่นในการที่เข้าถึงจุดหมายของพุทธศาสนาอังที่ได้กล่าวเนี่ยก็พูดถึงความสมดุลกันในการปฏิบัติธรรมอย่างที่บอกว่าแล้วก็คืออินรีเงี้ยเป็นต้นก็ต้องมีความสมดุลถ้าขาดความสมดุลแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุถึงจุดหมายของพุทธศาสนาได้เลยนี่นะ ทีนี้ในการพัฒนาตนเองในการดําเนินชีวิตที่จะให้ถูกต้องเหมือนกันน่ยนะก็พูดถึงในเรื่องของสมดุลหรือความพอดีโดยให้ความสําคัญแก่ธรรมะและแก่วินยัยเช่นเดียวกันพุทธศาสนาให้ความสําคัญทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกไม่ใช่เรามองเงแค่โอ้โหต้องเข้าถึงธรรมะใช่ไหมถามว่าระหว่างธรรมะกับวินัยเนี่ยพระเจ้าให้ความสําคัญทั้งสองส่วนไหมรูปแบบให้ความสําคัญไหม สาระให้ความสําคัญไหมให้ความสําคัญทั้งสองส่วนไม่ใช่หนักไปทางด้านเดเอาแต่ระเบียบเอาแต่วินยัยแต่ธรรมะไม่ยอมทําหรือว่าขับเน้นแค่ธรรมะวินัยไม่เอากันแล้วอยู่กันอย่างเลื่อนเปื้อนเลยไม่มีแบบไม่มีกฎไม่มีกติกากันไม่ใช่เลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ให้ความสําคัญทั้งสาระทั้งทำรูปแบบหรือทั้งวินัยและธรรมะนี่เหมือนกันในด้านของการที่จะเข้าสู่กระบวนการแห่งพุทธศาสนา ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการฝึกคนขั้นก่อนที่จะเข้าสู่มาร์กเนี่ยหรือในขั้นต้นที่จะนําเข้าสู่มาร์กเนี่ยกล่าวคือในการที่จะมีสัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์ทำข้อแรกของมาร์กก็ต้องอาศัยปัจจัยสองส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าปัตโตโคสาก็แปลอิทธิพลหรือเสียงจากภายนอก 2โยนิโสมนัสิการก็แปลว่าการทําในใจโดยแยกคายก็คือการพิจารณาโดยแยกคายหรือจากคิดคิดเป็นนี่แหละทีนี้ในปัจจัย2อย่างที่ทําให้เกิดสมาธิถิเนี่ยซึ่งเป็นองค์ประกอบเริ่มแรกของมรรคทีนี้องค์ประกอบเริ่มแรกของมรรคเนี่ยนะที่บอกว่าที่เป็นจุดเริ่มแรกของการศึกษาที่ถูกต้องพุทธศาสานาให้ความสําคัญแก่ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกจริงไหมอาจารย์ เรามักมีการโต้เถียงกันในเรื่องว่าสภาพแวดล้อมสำคัญหรือตัวบุคคลสำคัญภายในหรือภายนอกสำคัญโดยมากมันจะเถียงกันแล้วเถียงกันไม่จบบางคนก็บอกว่าอการที่จะให้เด็กดีเนี่ยต้องเอาเด็กนั้นไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เนี่ยการที่เด็กเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนี่แหละเด็กจริงๆการเป็นคนเป็อย่างนี้อีกคนนึ่งบอกไม่เกี่ยวหรอกคนบางคนอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมของมหาโชนแท้ๆยังดีได้เถียงกันไม่จบไปสิ้นในตรงเนี้ก็ <g år> เลยบอกให้ความสำคัญแก่ปัจจัยภายนอกกับบางคนบอกปัจจัยภายในสาคัญหรือตัวบุคคลสาคัญกว่ามันจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่แก่สิ่งข้างนอกหรอกมันอยู่ที่ตัวคนคนนั้นเองใช่ไหมแล้วเถียงกันมาเยอะในเรื่องแบบเนี้สรุปแล้วพุทธศาสนาให้ความสาคัญตรงไหน อาจารย์ทให้ทั้งคู่เลยพระเจ้าตรัสในเรื่องของปัจจัยของสัมมาทิฏฐิใช่หหรือที่บอกว่าปพานิมิตรหรือรุ่งอรุณของการดำเนินชีวิตเข้าไปในมรรคตั้งเจ็ดประการนะในเจ็ดประการก็เริ่มตั้งแต่โอ้โหเยอะเลยมีทั้ง ชันท้ด้วยใช่ไหมมีทั้งตัวศีลด้วยตัวชันทะตัวศีลตัวชันทะรายละเอียดไปเยอะนะจนกลายเป็นไม่ประมาทโดยตัวโยนิโสมนัสการดูความไม่ประมาทเป็นต้นหนึโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยภายนอกคือการมีปัจโตโศศาส์ที่ดีได้แก่การมีกายาณมิตร มีมิตรที่ดีมีครูอาจารย์ที่ดีมีพ่อแม่ที่ดีซึ่งให้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมีแหล่งความรู้มีสื่อมวลชนให้สติปัญญาเป็นสื่อสารให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตลอดจนในการเจริญสมาธิก็มีครูอาจารย์สอนกรรมฐานซึ่งเป็นผู้รู้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นผู้รู้หลักนิสัยใจคอองผู้ปฏิบัติมีอุบายในการแนะนําเรียกว่าปัจจัยภายนอกที่ดีนอกจากนั้นก็จะต้องมีปัจจัยภายใน ปัจจัยภายในตรงนี้ก็คือกลุ่มโยนิโสมนสิการรู้จักคิดคิดเป็นความเป็นผู้ฉลาดคิดทั้งหลายเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะนําเอาหลักการที่เราเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกนํามาประพฤติปฏิบัติเข้าสู่ปัญญาที่ถูกต้องเป็นต้นได้นั้นว่าโดยทั่วไปก็คือต้องเน้นความสำคัญทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกก็คือกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการเนี่ยว่าดูความสัมพันธ์กันแล้วก็คือว่า เหมือ น, นที่บอกวินัยเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เรามีกริยาณมิตก็คือการมีวัตถุประสงค์ในแง่นี้วินัยก็ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมไม่มีกริยาณมิตที่จะมาช่วยหนุนชักจูงให้เรานั้นเข้าหาธรรมะได้ส่วนโยนิโสมนัสการก็เป็นตัวเจาะให้เข้าถึงเนื้อแท้ของธรรมะเลยทีเดียวเห็นไหมสรุปแล้วก็คือตัววินัยเนี่ยเป็นตัวจัดสภาพแวดล้อมเพื่อจะทําให้เราเจอกัลยาณมิต ส่วนตัวโยนิโสมนัสการก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนทําให้เราเข้าถึงธรรมะวิไนจัดสภาพแวดล้อมไม่มีกัญญาณมิตรเมื่อโยนิโสมนัสการก็ทําให้เขาเข้าถึงธรรมะได้งนั้นถึงสําคัญทั้งสองส่วนใช่ไหมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเริ่มมองเห็นนี่ยังเออตรงนี้ก็ในรายละเอียดต้องมีเรื่องถกกันเยอะเลยนะี่ยสองตัวนี้เนะี่ยพอไปพูดถึงในเรื่องของตัวปัจจัยภายนอกโอ้โหพระเจ้าเป็นกัญยาณมิตรอย่างไร ว่าอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรอย่างไรเนี่ยโอ้โหสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีสื่อสารที่ดีข้อมูลที่ดีเป็นกัลยาณมิตรให้กับบุตรหลานญาติมิตรหรือคนขี่เกี้ยกล่ออ ง, อ ง, องรตรอดถึงตัวโยนิโสมนสิการแต่ให้สังเกตดูนะถ้าได้กัลยาณมิตรที่ดีแล้วสิ่งแวดล้อมดีแล้วแต่ขาดโยนิโสมนสิการเป็นเหมือนพระเทวทัศน์เลยไม่สามารถดําเนินก้าสู่มรรคหรืออริมรรคได้เลยใช่ไหม หรือนางกินจะมานะวิการเนี่ยสุปพุท ธ, ธะนันทามานบโอ้เยอะมากเลยนะทั้งๆ ท, ท, ที่ได้กัลยาณมิตรที่ดีนี่แหละแต่ขาดไอตัวโยนิสมรสิกานี่มันขาดอย่างได้อย่างหนึ่งไม่ได้จริงๆใช่ไหมอันนี้ยกเว้นเขายกบุยกเว้นบุคคลสองจำพวกคือบุคคลบำเพ็ญบารมีระดับพระพุทธเจ้าแล้วพระปเจกพระุทธเจ้าเนะี่ยพวกคนเลนี้ไม่ต้องอาศัยกัลยาณมิตร กำลังโยนนิสโสมรัชการแข็งแรงมาแต่เราเป็นแบบนั้นไหมเหล่าไม่ได้ต้องใสัยกลยานามิตรเลยนอกนั้นอ้าวลักษณะประการหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นตัวอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือธรรมที่ช่วยให้มีชีวิตชีวาแก่การปฏิบัติทั้งหมดก็คือเป็นตัวกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามธรรมะในพุทธศาสนาเก อ, อะไรรู้ อัปมาถ้ารมคือความไม่ประมาณอัปมาถ้ารำนี้พระเจ้าเน้นย้ำมากตรัสเป็นปัดฉิมวาจาเลยเนยีเป็นพระดํารัสสุดท้ายก่อนที่จะไปนิพพานเนี่ยก็เป็นคําสั่งเสียเลยว่างั้นเถอะคำสั่งเสียที่พระเจ้าตรัสก็คือว่าวยะธรรมมาสังขาลาอัปมาเทนะสัมปาเทธาใช่ไหม บอกสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานี่ประโยชน์กว่ายาธรรมาสังฆาราและประโยชน์ที่2ก็คือเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ยหลักการหรือธรรมะในคัมภีร์ทั้งหมดถ้าไม่มีใครนําเอามาใช้ประโยชน์ก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับหลับหรือการนอนตายอยู่อฉะนั้นธรรมะเหล่านั้นจะมีประโยชน์เกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เพราะอะไร ก็เพราะอั ป, ปมาท่ธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสอั ป, ปมาท่ธรรมเป็นธรรมที่ควบคุมธรรมะอื่นๆดุดลอยเท้าช้างและตรัสเป็นปัจฉิมวาจาด้วยอ้าววิยธรรมมาสังขารากับอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทถาเนี่ยสอนอะไรอะไรคือความจริง เนสังขารก็คือบรรดาสังขารทั้งหลายไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ประดาสังขารทั้งหลายที่มีอยู่ในสารลจักรวาลทั้งหมดคือรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารเวียนขั น, ขนมีความเกิดขึ้นเสื่อมไปเป็นธรรมดาไอ้คำว่าวยะธรรมมาสังขารลาสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอนิจจลักษณะทุกขลักษณะหรืออนัตตลักษณะสอนอะไรอ่ะ สอนอันนี้จังทุกครั้งหรือสอนอนัตตาสอนอะไรเนี่วยธรรมมาสังขาราเนี่ย อ, อันนี้จริงๆคือขับเน้นไตรลักษณ์แต่ที่เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยพูดสับนี้เนี่ยเหมือนพูดแค่อันนี้จังแต่จริงๆแล้วสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาด้วยใช่ไหมเพราะมันอาศัยปัจจัยประชุมปรุงแต่งไม่ได้เกิดขึ้นเลยลอยทั้งหมดเล้นี้เกิดอันนี้คือความจริงอนนี้จังทุกขังหน้าตาเนี่ยนำมาปฏิบัติได้ไหมเพราะอะไรอันนี้จังเนี่ย ถามว่าศรัทธานะ่ะวิริยะสติสมาธิปัญญาเนะี่ยเป็นอ น, นิจจังได้ไหมเป็นอ น, นิจจังไหมเป็นอ น, นิจจังแบบไหนเป็นอ น, นิจจังในตัวมันเองเลยคือเกิดดับสืบต่อหรือเป็นอ น, นิจจังเพราะมันสามารถที่จะเสื่อมลงก็ได้หรือสามารถที่จะเจริญขึ้นกี่สุดจนถึงโลกรุตระก็ได้มันเป็นอ น, นิจจังในแง่ไหน จริงๆเนี่ยมันเป็นทุกส่วนที่พูดมาเนี่ยอันนี้ศัทธาเวลาเกิดขึ้นเขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราให้เหตุปัจจัยของความเชื่อมั่นให้อาหารของความเชื่อมั่นมากๆความเชื่อมั่นเขากเกิดขึ้นไหมจะมากขึ้นไหมการมากขึ้นจเจริญขึ้นเรื่อย ๆ, ๆเป็นอันนี้จังหรือไม่เป็นเอออย่างเนี้ยเป็นอันนี้นอออยงนนังขาขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราตัดทอนอาหารของเขาไม่ได้เหตุปัจจัยของเขาเขาก็จะเป็นอนิจจังเหมือนกันแต่เป็นอนิจจังขาลงแม้วิริยะสติสมาธิปัญญาแม่ศีลสมาธิปัญญาก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เพราะเข้าอยู่ในประดาสังขารใช่ไหมเนี่ยคือคือความจริงมันเป็นอย่างนี้ที่มนุษย์เราส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่า พอเราบอกว่าเออมันธรรมดามันจะมันจะเสื่อมมันก็เสื่อมไปก็ไม่รู้จะทายังไงไอศรัทธาเนี่ยไอความท้อแท้ความห่อเหี่ยวความหดขูมันไม่เที่ยงเพรานั้นเดสมาธิเนี่ยมันมีได้มันก็หมดได้มันก็ดับได้ปัญญามีได้มันก็หมดได้มันไม่เที่ยงฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมันมากเลยการสอนอย่างนี้สอนผิดหรือถูกจารนะ อัานีได้ถูกถูกคนเป็นยังไงเห็นไหมธรรมะในลักษณะอย่างนี้ย้าบอกว่าเป็นการย้าในการที่ว่าให้เราตื่นตัวนั่นเองตื่นตัวอยู่ด้วยความไม่ประมาณ โอ้โหเนี่ยเป็นการปุกเราเลยชีวิตว่าอย่างทุกวันเนี่ยเราจะเห็นชัดโดยชีวิตที่มันผ่านไปผ่านไปทุกๆขนาดเนี่ยถ้าเราขืนไม่ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องกำหนดเป้าหมายไม่ชัดมาชีวิตเลื่อนล อ, อยแน่นอนใช่ไหมเหมือนนักบวชเนี่ยบวชไปเรื่อยๆไม่คิดอะไรมากเพางั้นเดี๋ตอนนี้อยากอยู่ก็อยู่ไปก่อนไอ้กรณีอย่างนี้เขาเรียกไม่ตื่นตัว อยู่ด้วยความประมาทอันนี้ขัดหลักขัดลักษณะของพุทธศาสนาชัดเลยถึงแม้คุณจะเป็นนักบวชแต่คุณก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าเพราะคุณเป็นอยู่ด้วยความประมาทอันดับแรกคุณต้องเข้าใจอันนี้เจลักษณะทุกขลักษณะนัตตลักษณะก่อนคือจะต้องเข้าใจอนนีจางทุกขังหน้าตาบอกว่ายาธรรมาสังข า, าราป้าดาสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้แม้รูปธรรมและนามธรรมก็เป็นอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหลายเป็นตัวเหล่านี้ มาพพุทรูปแล้วป่าไทยรูปเนี่ยมันแตกดับสืบต่อตลอดแล้วมันเสื่อมลงตลอดแมธนามาทำคือเวทน า, าขันสัญญาขันสงการขันวิญญาณขั น, ญญข น, าาขนก็เกิดดับสืบต่อถ้าขืนปล่อยไปด้วยความไม่ประมาทไม่รีบกระตือรุอ้นในการที่ฝึกผลพัฒนาตนเองแย่แน่นอนให้ความจริงมันเป็นอย่างนี้แม้แม้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็เป็นอนิจจังทั้งขาขึ้นและขาลงก็ได้ถ้าเราให้เหตุปจัจจัยผิดถูกหลักธรรมในคําสอนทั้งหมด ในคัมภีร์ทั้งหมดถ้าไม่มีใครนำมาเอาใช้ประโยชน์มันก็เหมือนกับหลับหรือเหมือนนอนตายอยู่อันนี้ต้องอ่านดูที่เนี่ยเรยนะท้านเนี่ยคัมภีร์ที่อ่านอ่า น, อ, านอ่านมาทั้งหมดถ้าไม่เอามาปฏิบัตินะเหมือนตายจริงๆอย่างนไม่มีประโยชน์เลยถ้าจะมีประโยชน์เกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ เ, เพราะอะไรเพราะอปะมาตถธรรมก็คือไม่ประมาท พอบอกไม่ประมาทก็คืออะไรนะเนี่ยคว่าไม่ประมาทนี่ก็คือตอนเองไม่มีศรัทธาก็ทําสุดท้ายถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทตนเองไม่มีศีลนะไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ทําวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มีให้เกิดขึ้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทการระดมความเพียรในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยให้ สมบูรณ์ทุกด้านอันนี้เขาเรียกเป็นอยู่ดีกว่ามไม่ประมาณไม่ผัดเพี้ยนไม่ละเลยไม่นิ่งเฉยไม่เฉยชาแต่ให้มีความกระตือรือร้อนเร่งรัดตนเองในการบําเพ็ญกิจหน้าที่และโดยเฉพาะก็คือให้มีสติระลึกรู้ตัวเท่าทันแล้วก็รีบหลีกละป้องกันกําจัดแก้ไขเกิดเหตุแหงความเสื่อมแล้วก็ส่งเสริมสร้างสารร์เหตุแห่งความเจริญให้ออกงามอันนี้เป็นหลักสาระสําคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องเน้น แล้วก็ต้องย้าเลยใช่ไหมงั้นพรษษะรัตนาทัศน์ว่าให้ตื่นตัวอยู่ด้วยความไม่ประมาทเริ่มมองเห็นชัดไดอยังที่ประการต่อมาก็คือลักษณะประการหนึ่งก็คือว่าที่จะมาพูดตรงนี้ก็คือว่าลักษณะใน as อริยสัจสีในตรงนี้ทําความเข้าใจนในอริยสัจสีเนี่ย มันจะมีทุกข์สมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคใช่ไหมเป็นสัจจะเป็นความจริงของภรายเจ้าเป็นสัจจะเป็นความจริงของ พ, พรจจะตถาคตอะทำความเข้าใจนิดหนึ่งก็คือว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของทุกข์เนี่ยก็คือตัวปัญหาเป็นสิ่งที่เราไม่เอาใช่ไหมแต่เราต้องอยังต้องถามว่าเออ วลาพระบุทธเจ้สอนเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทุกข์เนี่ยที่ทรงสอนเนี่ยสอนเพื่อเพื่ออะไรให้รู้จักอะไรเออนเนี่ยเรามีหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรรู้จักมันรู้เท่าทันเขาเรียกว่าปริญญาทุกข์นี่เป็นตัวปัญหาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ท่านเปรียบเสมือนกับโรคใช่ไหมล่ะเหมือนโรคเลย คือความผันแปรบีบคั้นความกระทบกระแทกซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัญหาชีวิตก็เหมือนโลกเลยเหมือนโลกเลยและสมุทัยแหะทุกนี่เป็นผลนะเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุใช่ไ้ยเป็นเหตุของทุกทำหน้าที่ทุกเรามีหน้าที่ต่อมันคืออะไรทุกนี่มีหน้าที่ปริญญานะ รู้ทันศึกษาเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไรจับตัวมันให้ชัดเพื่อให้ถึงพร้อมที่จะแก้ไขสมุทยัยตัวสายเหตุของทุกนั้นเรามีหน้าที่คือปหารนะนคือกำจัดแล้วแก้ไขนิโรธเรามีหน้าที่แต่มันคือสัจิกิริยาคือบรรลุจุดหมายที่บาราศทกุก็คือทำเป็นสุขขึ้นมาก็คือต้องบรรลุถึงมรรคล่ะก็มีหน้าที่ต่อเขาคือ ภาวนาก็แปลว่าอะไรภาวนาแปลว่าอะไรเออปฏิบัติลงมือทำสดบก็คือพระศาสนาสอนเรื่องทุกข์สอนเรื่องทุกข์ไว้ให้ใครรู้สอนทุกข์ไว้สำหรับปัญญารู้แต่สอนเรื่องสุขสำหรับให้เรามีชีวิตเป็นถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็ พุทธศาสานาสอนให้รู้ทันทุกและให้อยู่เป็นสุขเข้าใจไหมให้รู้ทันทุกให้อยู่เป็นสุขก็เลยบอกทุกเนี่ยสำหรับเห็นแต่สุขนี่สําหรับเป็นเนี่ยอาจารย์มองออกไหมตรงนี้ทุกนี่สําหรับเห็นแต่สุขนี่สำหรับเป็นทีนี้ประเด็นมันก็เลยกมีอยู่เนี่ยว่าเวลา พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์เนี่ยสอนเรื่องทุกข์ปุ๊บเนี่ยเราต้องไปทําอะไรมันไหมหนึ่งให้รู้ขอบเขตให้รู้จักตัวนั้นในชัดเช่นรู้จักขนันธ์หน้ารู้จักอายตนะในชัดก่อนสมุทยัยก็กิจก็คือปัญหานะให้รู้ว่าเออเป็นกิจที่ควรกําจัดควรละอันนี้เป็นตัวตันหาอันนี้เป็นตัวอาวิชาเรียกว่าในบรรดาสมุทัยเนี่ยตันหาก็อยู่ข้างหน้า นะตัณหาการมตัณหาเพราะว่าตัณหาวิพวัฒนตัณหาอยู่หน้าส่วนอวิชชาอุปาทานสังขารและกรรมเนี่ยอยู่เบือนะอเบ้องหลังเนี่ยอยู่เบื้องหลังมอออกใช่ไหมแต่ ส, สองกลุ่มเนี่ยเป็นสมุทัยหมดเลยนะเป็นสมุทัยหมดเลยนะนีโรดที่คือจุดหมายควรทําให้มีให้เกิดให้เป็นขึ้นมาแล้วก็มรคนี่ควรจะรู้สรุปแล้วก็คือสามข้อแรกเนะี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรกันมาเลยนะอาจารย์ตันนะ้นเนี่ยต้องทำข้อสุดท้ายข้อเดียว พอทำข้อสุดท้ายปุ๊บพอมาภาวนามาปฏิบัติบําเพ็ญปุ๊บไอตัวปัญญาเกิดขึ้นมาปัญญาไปรู้อะไรไปรู้ทุกข์พอปัญญาเข้าไปรู้ทุกข์เบ็ดเสร็จเนี่ยเมื่อปัญญาเกิดมากเท่าไหร่ตัวสมูทายก็ถูกแล้วจุดหมายคือนิรโรธก็ใกล้เข้าไปทุกทีฉะนั้นเขาจึงบอกว่าทุกเนินมีไว้สําหรับเห็นยิงๆแต่ไม่ใช่มีไว้สําหรับเป็นเนะี่ยเออเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะสอน ให้เราเนี่ยมักจะหลบหลบหลีกหรือหลบหนีปัญหาสังเกตดูไหมหลักของพุทธศาสนานั้นชัดเจนว่าท่านมุ่งสอนนี่รู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงเกิดจากองค์ประกอบต่างๆล้วนไม่เที่ยงไม่คงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบเนื่องติดต่อเรื่อยไปไม่คงที่อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกปัจจัยต่างๆที่ขัดแย้งบีบคั้นให้แปรปวนไปตลอดเวลาใช่หมไม่ใช่ตัวตน คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยไม่มีตัวตนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่จะบงการที่เป็นไปตามความปรารถนาใช่ไม่ใช่หลักการเป็นอย่างนี้เรียกตามแบบที่เรียกว่าอนนี้จังทุกขังหน้าตาซึ่งรู้จักกันดีในความว่าไตรลักษณ์เนี่ยคำเด่นที่สุดของความรู้สึกของคนจํานวนมากก็คือคําว่าทุกขงังซึ่งแปลว่าเป็นทุกหรือแปลว่าทุกเนี่ยทุกในทีน่นี้นอกจากจะเป็นหลักหนึ่งในไตรลักษณ์แล้วเนี่ยยังปรากฏในหลักธรรมที่สําคัญยิ่งในอริยสัจสี่ด้วยเป็นข้อแรกเลยใช่ไหม อันนี้จังทุกขังอนัตตานี่อยู่ในตายรักยี่ไม่ทุกเนี่ยนะส่วนถ้ามองในหลักของอริยสัจสีเนี่ยทุกเนี่ยเป็นข้อแรกเลยเป็นปรากฏการณ์เป็นตัวผลเวลาพระเจ้าแสดงอริยสัจเนี่ยพระเจ้าชี้ไปที่ผลก่อนชี้ไปที่ปัญหาก่อนใช่ไหมทีนี้ในอริยสัจสี่หลายคนก็มองเห็นหลักธรรมเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้ศึกษาให้ลึกลงไปก็เกิดความรู้สึกว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่รายเห็นโลกและชีวิตเป็นทุกข์ แต่ถ้ามองดูหลักการปฏิบัติในพุทธศาสนากับมองเห็นว่าเออการดําเนินชีวิตก้าวไปด้วยความสุขสู่จุดหมายที่เป็นบรมสุขใช่ไหมนิพพานนี่เป็นบรมสุขไหมเป็นบรมสุขนะในขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราดําเนินไปตามมรรคในขณะที่ดําเนินไปตามมรรคดาเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยฝึกผลตามศีกขาสามในขณะนั้นชีวิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตัวชีวิตเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ไปเห็นอะไรไปเห็นทุกข์ แต่คนส่วนใหญ่เวลาไปเห็นทุกปุ๊บเนี่ยเราดันไปปฏิบัติข้อที่สองคือเอาสมุทัยมาปฏิบตัติจริงไหมอาจารย์นะพอเอาสมุทัยมาปฏิบตัติมันก็เลยไปเพิ่มความโลภความโกรธความหลงเลยไปเพิ่มปัญหามันเลยไปสร้างเหตุของทุกข์อยู่ล่างไปเช่นเราเห็นคนทะเลาะกันแล้วเครียดกินเนี่ยเคยเป็นไหมล่ะเวลาเขาด่าแล้วเครียดกิ น, นไงไปนั่งเครียดนั่งโกรธเนี่ยแปลว่าอะไรเราปฏิบัติต่อปัญหาปฏิบัติต่อทุกข์น่ะผิดพลาด แทนที่เราจะเอาข้อสว่มาปฏิบัติเราจะไปปฏิบัติข้อที่ 2, 2> mm hmm. มันก็เลยไปเพิ่มอะไร mm hmm. ไปสร้างเหตุของทุกข์อยู่เรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เราก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยว่าในธรรมะต่างๆที่เราจะต้องปฏิบัติในพุทธศาสนา mm hmm. ก็คือว่าความสุขสามารถเข้าถึงได้ด้วยความสุข mm hmm. ใช่มเมืเม่อมองดูหลักการในพุทธศาสนากับมองว่า การดําเนินกล้าวไปได้ด้วยความสุขสูตรจุดหมายที่เป็นบรมสุขตั้งแต่หลักทั่วไปในการปฏิบัตินะพุทธศาสนาก็ถือว่าความสุขสามารถเข้าถึงได้ด้วยความสุขซึ่งซึ่งหลักการศาสนาอื่นก็ไม่ได้ถือแบบนี้นะคือคนสามารถบรรลุถึงความสุขด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นสุขอันต่างจากรัติบางศาสนาที่ก็ถือว่าความสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยความทุกข์เช่นศาสนานิครณเนี่ย เขาจะบรรลุถึงความสุขได้เขาต้องท ร, รมานร่างกายใช่ไหมอาจารย์ท่านเขาบําเพ็ญเขาเรียกบำเพ็ญทุกข ก, กิริยาท ร, รมานตัวเองเขาบอกเมื่อเขาท ร, รมานตัวเองอย่างนี้จนถึงที่สุดแล้วเขาจะบรรลุถึงความสุขได้แต่พุทธศาสนาไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือการบรํรราเพ็ญอัตถกิรสมาฐานโดยโยกพระเจ้าสอนบอกว่าความสุขจะบรรลุ ถ, ถึงได้ด้วยความด้วยความอะไรด้วยความสุ ข, สขคือเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิในปฏิบัติในปัญญาเนี่ย ก็เป็นสีและสุขแล้วสมาธิทุกระดับก็เป็นสมาธิสุขเป็นฌานสุขปัญญาทุกระดับก็เป็นวิปัสสนาสุขไอตัวศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นตัวความสุขเป็นตัวมหากุศลก่อนเบื้องต้นเนี่ยนะมีสมนัตกับตัวอุเบกขาซึ่งเป็นตัวความสุขด้วยฉะนั้นความสุขเนี่ยนะความความสุขเนี่ยการที่จะปฏิบัติให้ถึงเนี่ยความสุขสามารถเข้าถึงได้ด้วยความสุข คือการที่จะเข้าถึงบรมสุขคือพระนิพพานได้เนี่ยมันเข้าถึงได้ด้วยความสุขไม่ได้เข้าถึงด้วยความทุกข์ก็แปลว่าขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปกับศีลเป็นไปกับสมาธิเป็นไปกับปัญญาเนี่ยเป็นกระบวนการแห่งการเดินไปตามความสุขทุกระดับทุกขั้นตอนเลยจริงไม่จริงตั้งแต่ศีลสุขปาฏิโมกสังวรศีลเนี่ยสุขไหมอินเดียสังวรศีลสุขไหมเห็นไม่เป็นสุขหมดเลยนะเนี่ย อาชีวะปริสทธิสีนแล้วก็ปัจยสันนิสิตาสีลเนี่ยตัวศรัทธาที่เป็นประธานของปฏิโมกสังวรศีลก็เป็นไปกับเป็นไปกับกุศลตัวสตินะที่เป็นอินเดียสังวรศีนที่เป็นประธานของอินทรีย์สังวรสีนก็เป็นไปกับกุศลอาชีวะปริสุทธิศีนตัวโววิริยะที่เป็นวิริยะที่ถูกต้องที่เป็นไปกับมหากุศลก็เป็นสุข ตัวปัจจะสันนิสิตาศีนศนีนที่เป็นไปกับการใช้ปัจจะสีก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาปัจจะสีก็เป็นไปกับความสุขเห็นศีลและสุขอาจารย์สติสมัมปชัญญะในสาธนในฐานะ7การก้าวไปถอยกลับแล่ตรงแล่เหลียวคู่เข้าเหยียดออสติสมัมปชัญญะนี่เป็นไปกับปัญญาเป็นไปกับกุศลเมื่อกุศลและจิตเกิดขึ้นในการกําหนดในการพิจารณาไข้ควรในการยืนเดินนั่งนอนจึงเป็นไปกับความสุขนั้นความสุขหรือบรมสุขนี่จะเข้าถึงได้ด้วยความสุข อุปจารสมาธิสุกไหมปฐมฌานสุขทุติยฌานสุขตัทยฌานสุขจะดุจฌานสุขอากาสาัญจายาตนะสุขอากินวิญญาณัญญายาตนะสุขอากินจัญญาญตนะสุขเนวะสัญญาณาสัญญานัญญาตนะสุขแม้กระทั่งนิโลธสมาบัติวิปัสสนาสุขแล้วก็นิโรธสมาปฏิสุกนิโรธสมาบัติก็เป็นสุขฉะนั้นขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยความสุขหรือบรมสุขจะเข้าถึงได้ด้วยความสุขไม่ได้เข้าถึงด้วยความทุก เห็นว่าทกสําหรับเข็นแต่สุขสําหรับเป็นจริงๆเออเพอเห็นทกแล้วใจเป็นสุขแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหเราปฏิบัติผิดนะนานอาจารย์ท่านเฮ้ยพอเราปฏิบัติต้องไม่โกนหนวดไว้ยต้องทําท่าเข่งเข่งแล้วไม่พูดไม่จา ก, กับใครเคยสังเกตดูไหมฮะนั่งเข่งคุ้มแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายอ่ะถ้าอย่างนั้นดูไม่เข่งดูไม่ขัง แล้วถูกสอนแบบนี้้ความสุขหรือบรมสุขมันเข้าถึงด้วยความทุกข์มันไม่ใช่แล้วเป็นอัตกิตและมราานคโยกไกลๆเลยนะแบบนั้นเนะี่ยโอ้สมัยก่อนเคยไหมเวลาถึงเรียนกันสอบแล้วก็ไมเวลาเข้าปฏิบัติกันเนี่ยโม้ไม่พูดไม่จากิกนน้อยบางทีไม่กินอาหารกันเลยอะ่ะอยู่อย่างทรมานเลยว่างั้นมองใครก็มองตาของกวางทุกคนก็โกรธทุกคนก็กลัวด้วยเนะี่ยหนวดก็ไม่ค่อยโกนด้วย ปล่อยเพิ่มเลยเป็นฤาษีไปเลยแล้วที่ฤาษีไปเลยนั้นในกระบวนการแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ผลก้าวหน้าไปไปตามจุดหมายนะั้นก้าว<ม>ไปตามองค์ธรรมที่เกิดขึ้นก็คือเป็นชุดชุดก็คือเป็นไปกับความสุขเลยนะเช่นเวลาผู้พิทปฏิบัติไปนะมันจะเริ่มอะไรไหมพอปฏิบัติตามศีลแล้วปุ๊บมันจะกลายเป็นเอาวิปัสสนาคือความไม่เดือดร้อนใจเห็นไหมใช่ไหมศีลเป็นปจัจจัยเกิดเอาวิปัิสารตอนนั้นน่ยไม่เดือดร้อนใจ เอวิปัสสนาเลยเป็นปัจจัยเก่ปลาโมดเอาสุกไหมปราโมดเป็นปัจจัยเก็บปีติโอ้โหเห็นไหมความแช่มชื่นเบิกบานเป็นปลาโมดแล้วก็พอปลาโมดก็เกิดความอิ่มใจก็เป็นปีติจากนั้นก็กายก็ผ่อนคลายก็เป็นปสัตทิใจก็ผ่อนคลายตอนนั้นสุขสุกก็เกิดขึ้นนะสมนัสก็เกิดขึ้นและจิตก็ตั้งมั่นก็เป็นสมาธิต่อจากนั้นก็เกิดญาณทัศนะ ไปจนถึงวิมุตติคือการหลุดพ้นในที่สุดโอ้โหสุขทุกขั้นตอนเลยเนี่ยพระเจ้าประเซนที่โกศลกราบทูดพระพุทธเจ้าแสดงความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยว่าพระองค์เสด็จไปที่ต่างๆเห็นนักบวชบางพวกสูรผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวก็สะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น ไม่ชวนตาไม่ให้อยากมองเลยเราะงั้นแต่ภิกษุในพุทธศาสนานะ่ดูสดชื่นดูทั้งปลาโมดปีติปสัสสติสุขว่ราะงั้นจิตใจก็เบิกบานมีอากับกิริยาหน้ายินดีมีเสียออบอิน่นไม่วุ่นวายมีรักษณะความสงบมีจิตที่ตั้งมัน่นเนี่ยอันนี้บอกบอกชัดเลยอันขัดกันเลยนะว่าเออเป็นตำน้องว่าทฤษฎีที่ว่าทุกแต่ปฏิบัติเป็นสุขใช่ไ ให้เห็นทุกแต่การปฏิบัติเป็นสุขตามหลักก็คือว่าในอริยสัจเนี่ยนะมองอริยสัจข้อหนึ่งเห็นว่าทุกแต่ทําตามอริยสัจข้อ4เป็นสุขนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่มองโลกในแง่ชีวิตเรีวนะ่วแราเนียแต่มองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเมื่อความทุกมีอยู่จริงพุทธศาสนาสอนให้เผชิญหน้าต่อความทุก ไม่เลี่ยงหนีแต่ให้มองดูทุกนั้นด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจและก็ด้วยความรู้เท่าทันความทุกขนั่นเองก็ทําให้จิตปลอดโปร่งโล่งเป็นอิสระกแรกร่นิสตระนธปัญญาไม่ถูกทุกข์บีบคั้นเข้าทํานองว่ารู้ว่าชีวิตเป็นทุกข์แต่มีชีวิตเป็นสุขหรือบอกว่ารู้เท่าทันความทุกข์จึงมีความสุขที่สมบูรณ์พอจะเข้าใจชัดเจนเ แต่กอดเดี๋ยวเราจะเข้าใจกันผิดพลาดเลยนะเราไม่มีใครแนะนำเราในวิธีการปฏิบัติแบบนี้เออจริงๆเราคนเป็นอยู่ด้วยปลาโมดเห็นความจริงของชีวิตแล้วโอ้โสดชื่นเลยนะแล้วก็แปลกใจทำไมคนไปปฏิบัติแล้วผ่องใช่ไหมาจารย์ตัง้งยืนี้ยเออทำไมถึงผ่องใสเขาไปดูทุกทั้งวีทั้งวันเนี่ยไปรอบรู้ทุกไปกาหนดทุกทาไมใจเขาผ่องใสเนะ เขาดูทุกข์แต่ใจก็ไม่เป็นทุกข์ใจก็เป็นสุขเพราะเห็นความจริงกิเลสก็ถูกละไปเรื่อยจุดหมายก็ใกล้เข้าไปทุกทีเพราะเขาไปเห็นทุกข์เป็นข้อเห็นทุกข์ข้อที่หนึ่งในอริยสัจแต่เขาเป็นสุขด้วยปฏิบัติตามข้อที่สี่ก็เลยเป็นสุขก็คือมรรคนั่นเองพจะเข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นเราควรอยู่อย่างเป็นทุกข์หรืออย่างเป็นสุขสุขนี่ควรเห็นหรือควรเป็นนี่ชัดเจนนแน่ อะไรสมควรแก่เวลา